เขาขับข้ามสะพานพุทมาเลี้ยววงเวียนเล็กตัดเข้ามาคลองสารแล้วก็หักหัวข้ามสะพานไปทางวัดสเสวตฉัตรเรียกว่าถนนเลียบฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาถนนสายนี้ตัดแล้วก็กรุยทางมานานแล้วเพิ่งจะโรยกรวดเปิดให้รถเดินสองข้างทางจึงเปรียวบ้านไม่ค่อยมีคนมีแต่สวนผลหมากรากไม้สวนหมากสวนพลูรวมถึงมะพร้าวซะส่วนใหญ่พอหนทางให้ช่องเช่นนั้น